อนยายทรรมในวันนี้จะบรรยายในลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกเพื่อยเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะพูดในเรื่องวิปัสสถาคำว่าวิปัสสถาก็คือว่าการความเข้าใจผิดสี่ประการ เกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจผิดสิ่งเ่างกันอันความเข้าใจผิดย่อมทันประโยชน์ให้เสียหายเช่นเดียวกับการเดินทางระยะทางที่จะไปนั้นจะใกล้ไกลอย่างใดก็คงอยู่เท่านั้นเองเมื่อเข้าใจถูกก็ถูกไปด้วยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมากแต่ถ้าเข้าใจผิดก็ผิดไป ทำให้เปลืองเวลาทำให้ชักช้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรงสอนให้สัตว์ได้ใช้ปัญญาให้เข้าใจให้ถูกต้องจึงมีบทสรรเสริญว่าเหมือนหายของที่คว่นเปิดเผยที่สิ่งที่มีที่อื่นปิดกำบังไว้ส่องทางให้แก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืด ให้คนมีดวงตาได้เห็นแสงสว่างอันคำเหล่านี้ล้วนเป็นคำอุปมาทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องวิปัลลาาความเข้าใจผิดสี่ประการก็มีดังนี้หนึ่งอ น, นิจจสัญญาความสำคัญในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง สองสุขะสัญญาความสาคัญในของที่เป็นทุกว่าเป็นสุขสามอตตะสัญญาความสาคัญในของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตนนะว่าเป็นตนสสุภะสัญญาความสาคัญในของที่ไม่งามว่างามอันนี้ก็หมายความว่าคนเรานั้นโดยมากเข้าใจผิด คือเข้าใจในของที่ที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงก็หมายความว่าสิ่งใดที่มันเป็นอนิจจาหรือว่าอนิจจังนะมันไม่เที่ยงหรืออนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงแต่เราไปเห็นว่าเที่ยงไอการที่เราไปเห็นว่าเที่ยงเนี่ยนี่แหละเป็นการที่เราเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดมันก็เสียเวลานึกเสียเวลาคิดเสียเวลาดาเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่การงาน คือเราเห็นเมื่อเห็นว่าอะไรอะไรที่มันไม่เที่ยมแต่เราไปเห็นว่าเที่ยมมันจะต้องอยู่กับเราแต่จงคู่กับเราจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องอยู่กับเราไปชั่วนิดนิรัดนดรอะไรนะทำนองนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราได้จนตลอดรอดฝั่งคือมันไม่จากเราเราก็จากมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้จะนั่นเหตุการ ทุกวันที่ปรากฏขึ้นกับตัวเราหรือรอบๆอบตัวเราทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือเหตุการณ์ของบ้านเมืองของโลกก็ดีอันนี้และล้วนเป็นอันนิจจังทางนั้นนะล้วนเป็นของไม่เที่ยงทางนั้นฉะนั้นเราจะไปทึกทักเอาว่าเป็นของเที่ยงไม่ได้เป็นของมั่นคงถาวรไม่ได้ถ้าเราไปทึกทักเอาอย่างนั้นก็ทำให้เรานี้ติดในสมมุติบัญญัติ น่ะติดในของที่ไม่เที่ยงเมื่อเราไปติดก็เกิดอุปาทานก็เกิดความหลงทำให้เกิดความเข้าใจผิดงัวเมาหลงไหลสร้างความเสื่อมเสียหายให้เกิดแก่เราเป็นอนเนกประการฉะนั้นขอให้เรามาเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่จรั ง, ย, งยั่งยืนน่ะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ อะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดมันจะดับก็ให้มันเกิดให้มันดับไปอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรมันจะดับให้มันดับไปนะเพราะสภ า, าวะทำเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นถ that, ้าว่าเราอะอันนี้เราชอบอืามทำไมเมื่อเราชอบแล้วเมื่อก่อนเราชอบแล้วแบบนี้ทำไมจึงต้องมาเป็นอย่างนี้นะสิ่งนี้เคยอยู่กับเราทำไมไม่ต้องจากไป อเมื่อก่อนเขาพูดกับเราดีตอนนี้ทำไมจะพูดไม่ดีอันนี้มันเป็นอนิจจังทั้งนั้นเป็นอนิจจังทั้งนั้นของนี้เราได้มาด้วยความหวงแหนอบัตรนี้มันหายไปเอันนี้มันก็เป็นอนิจจังทั้งนั้นนะฉะนั้นเราอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นถ้าว่าเราเข้าใจถูกจะทําให้เรานี้คลายความยึดมั่นถือมั่น ในอัตวาทุกปาทานาทุกทุกสิ่งทุกอย่างคือความคิดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นในสิ่งมีชีวิตก็ดีในสิ่งไม่มีชีวิตก็ดีนะอันนี้ก็จะทำให้เราเบาบางลงได้นะคนเราโดยมากที่ฆ่ากันตายที่ตองด่ากันทะเลาะ ก, กันอิจฉาเสียกันแกงแง่งกันเอารัดเอาเปรียบกันก็เพราะไปเข้าใจผิดอย่างนั้นเองนะไปเข้าใจผิด ว่าม like like like ันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ่าไอ้ที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยหรือมันเป็นก็อยู่เพียงเพียงชั่วครู่ชั่วขณะแค่นั้นเองนะเพียงชั่วครู่ชั่วขณะแค่นั้นเองนี่ขอขอให้เข้าใจเสียให้ถูกต้องอย่างนี้มาในข้อที่สองที่บอกว่าสุขาสัญญาความสำคัญในของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนี่ก็แสดงว่าไอ้ที่เราว่าสุขนั้นมันทุกน้อยนะมันทุกน้อยนะสุกจะมีขึ้นได้ก็คือน่อนต้องสุกในมรรคในผลในนิพพานนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขน่น ต้องถึงขั้นนั้นแล้วก็สุขที่ปราศจากอามิ t h แน่นอนเป็นนิรามิตรสุขไอ้ที่เราว่าสุขทุกวันเนี่ยมันเป็นสุขอิงอามิ t อิงเหยื่ออิงกามาคุณห้าอิงรูปอิงเสียงอิงกลิ่นอิงรสอิงการสัมผัสอันนี้มันเป็นสุขจอมปลอมนะมันเป็นสุขจอมปลอมมันสุขสุขดิบดิบมันมีทุกมากกว่านะมีทุกมากกว่ามีสุขแต่เราก็คอยไปคิดเข้าข้างตัวเองว่ามันจะต้องเป็นสุขอืม เห็นคนนั้นสวยก็คิดว่าแหมท่านได้อยู่กับเราคงจะมีความสุขอ่าเห็นความคนนั้นรวยกับแหมถ้าอยู่กับเราคงจะมีความสุขอ่าถ้าเรามีเงินอ่าเท่านั้นเท่านี้มันคงจะมีความสุขมีรถสักคันคงจะมีความสุขมีบ้านสักหลังคงจะมีความสุขมีที่ดินสักแปลงสองแปลงจะมีความสุขหรือว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตคำนนั้นคำนี้มันคงจะมีความสุขจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่เรานึกคิดอย่างนั้นเลย เราลองไปถามคนที่อยู่ในตำแหน่งที่เราว่าที่เราว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีลงไปถามดูว่าเขามีสุขไหมเขาก็บอกโอ้ยทุกแทบตายไม่มีเวลาพักผ่อนนะไม่มีเวลาพักผ่อนนี่หาเงินตัวเป็นเตี้ยวอต้องมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนแยกย้ายทายเท เ, เรียกว่าต้องหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา นี่ที่เขามีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านก็ในทํานองเดียวกันสามรายคนที่ยังมีเงินมากก็ยังปวดหัวมากเป็นโรคประสาทกันมากเพราะจะต้องไปลงทุนทำโน่นทํำนีำน่กลัวจะขาดทุนคนโน้นเอาไปก็กลัวจะไม่ตรงอะไรในทํานองนี้เนี่ยมันยุ่งไปหมดหรือคนที่มีรถก็แม่ก็ปวดหัวกับเรื่องรถทุกครั้งรถพับติดสภาพมันก็กินน้ํามันน่ะกินน้ํามันแล้วน่ะกินน้ํามันให้พูดถึงรถมันก็แปลก มีคนเขาบอกว่ายังกับร ถ, รถจักรยานยนต์นะหรือรถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องเนะี่ยที่เป็นปัญหากันอยู่ทุกวันเนะี่ยที่ดังปา้าตัดป้าอยู่ทุกวันนะสร้างความารบกวนโสดประสาทให้กับบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ๆทางเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในทุกวันนี้ที่เป็นศัพท์ที่เขาพูดว่าพวกรถซิ่งนะรถซิ่งพวกแข่งรถ ไอ้ที่มันชื่อรถมันก็สมชื่อนะมันรถเราทุกวันน้ํามันมันรถเราทุกวันเรานี่ต้องเกลี้งเงินซื้อน้ามันรถทันมันอยู่เรื่อยนี่นี่มันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วมันน้ามันเมื่อไหรเดี๋ยวไอ้น็อน่อนเดี๋ยวยางนี่เครื่องน่อนอะไรนี่มันสารพัดไปแหละนะดีไม่ดีก็เกิดไปชนกันอุบัติเหตุอย่งน่นอย่างนี้มีปัญหาเยอะอ่าคนไม่บาดเจ็บอ่ารถมันก่อพังมิฉะนั้นก็ทพังรถทั้งคนก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้ นี่แต่ว่าเราไปนึกคิดว่ามันคงจะมีความสุขไปไหนมันสะดวกสบายไปถามไอ้คนที่เขาขับรถก็บอกโอ้โหลำบากลาบากเวลาตอนที่เราขี่มันก็ดีแต่เวลามันเกิดอุบิเหคืขึ้นมาสักครั้งแหมรู้สึกว่ามันมีปัญหามมีปัญหามากนี่ท่าลองลองคิดดูมันจริงไหมไปถามคนที่มีรถดูแล้วก็คันนึงมันบาทสองบาทเมื่อไหร่เป็นหมื่นแสนเป็นหมื่นแสน แต่นั้นนี่เนี่ยจึงมีคนบอกว่ารถในเวลามันติดเครื่องอ่ะฮะมันจะเร่งนะบอกวพัดสัพัดอยู่เลยเขาบอกมันเล่นมันเร่งเครื่องถีงมันหมุนถีงก็บาดบาดจนถึงบ้าดบ้าดบ้าดเนี่ยบอกบาดบาดนะบาดบ้าดพอเร่งเต็มที่รถวิ่งอย่างเต็มที่ก็ร้อยร้อยร้อยอยู่เลยนะว่าร้อยร้อยร้อยรอยจากบาดขึ้นเป็นร้อยอีกแล้วนะ ขึนเป็นรอยแช่ไก็ บ, บาดเรงจนปาดปาดปาดก็บอกบาดบาดพอมาเข้าข่าบอกร้อยร้อยรอยเนี่ยไปถึงอย่างท น, นสแสลงพอมากถึงที่สุดไอ้พวกรถซิ่งเขา ก, ก็มันไม่ใช่รอยแล้วเสียบอกตายตายตายว่าตายซะแล้วอันตรายซะแล้วนี่บอกตายตายตายเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่อันนี้มันก็เป็นเรื่องปแปลกๆก็เอามาขั้นนะเอามาขั้น ืเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะมั้งฉะนั้นนี่แหละที่บอกว่าบางทีเราไปคิดว่ามันมีความสุขนะมันมีความสุขอแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปไปถามคนที่เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นไงท่านมีเป็นนรัฐมนตรีคงจะมีความสุขมันก็บอกโอ้โหไม่เป็นอันกินอันหลับอันนอนสู้เป็นคนธรรมดาไม่ได้ไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรมาก พอเป็นรัฐมนตรีก็ต้องรับเอาแล้วในกระทรวงนึงมีกี่กรมมีกี่กองนี่ต้องรับผิดชอบหมดเลยต้องคอยตรวจนะต้องไปยสอบถามกรมกองนั้นเดี๋ยวถูกมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นี่แล้วยิ่งไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยิ่งหนักใหญ่เพิ่มหมดทุกกระทรวงเลยนี่นี่ไม่เป็นอันกินอันหลับอันนอนไม่อย่างนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนรัฐบาลกันอยู่ทำไมอยู่เรื่อยๆนี่แล้วเพราะมันมีปัญหามากนะปัญหามันมีมากฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงขอฝาก กับพวกเราทั้งหลายนะให้พิจารณาว่าไอ้ที่เราว่ามันเป็นสุขนั้นอันนี้เป็นการเข้าใจผิดจริงๆแล้วมันทุกข์อยู่ตลอดเวลานะทุกข์คือสภาพที่ที่มันมั น, ม, นมันบีบคั้นนะทำให้เราทนอยู่ไม่ได้นะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคอยบริหารมันอยู่ตลอดเวลานะเนี่ยคือมันเกิดความขับแค้นใจ เกิดความทุกข์ใจมันบีบคั้นใจนะไอตัวทุกข์ด้วยฉะนั้นไอความสําคัญของเราคือไปสําคัญในของที่มันเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะคือทุกขะสัญญานะทุกขะสัญญาเอาเมื่อกี้ในต้นคงจะพูดผิดไปขอพระพาทานโทษว่าเป็นสุ ข, ขะสัญญาจริงจรงว่ า, าทุกขะสัญญานะาถูกแล้วสุ ข, ขะสัญญาความสํญญาคัญว่ า, เ, าเป็น ความสําคัญในของที่เป็นทุกว่าเป็นสุขอถูกต้องแล้วออมาในข้อที่สามอัตรสัญญาความสําคัญในของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนนไม่ใช่เป็นตัวตนว่าเป็นตัวตนคือในข้อแรกนะว่ามันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงมันจะต้องเป็นของเที่ยงอเป็นของจีรังยั่งยืนมาในข้อสามนี่บอกว่า ความสำคัญในของที่ไม่ใช่ตัวตนว่ามีตัวตนคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธองค์ท่านบอกว่าว่างจากตัวตนนะไม่มีอะไรเหลืออยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นในเบื้องตน้นปวนแปรในถ้ำกลางแตกสลายในที่สุดเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าโดยมากรายพอเข้าใจว่า มันจะต้องมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือหมายถึงว่าไปสําคัญว่ามันจะต้องอยู่เป็นตัวตนการที่เราจะมองเห็นว่าไม่มีตัวตนนั้นในข้อนี้รู้สึกว่าใจยากในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากนะศาสนาอื่นนั้นไม่มีในข้อนี้นะเรื่องอย่างอื่นศาสนาอื่นมีว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจัง <c oughs> ว่าเป็นอนิจจังหรือว่าเป็นทุกขังนี่มีแต่ว่าเป็นอนัตตนี่ไม่มีนะพเพราะโดยมากเขาเรียกว่าเป็นอัตตานะเป็นอัตตาเป็นอัตมันหรือปรมาตมันฉะนั้นในพระพุทธศาสนาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีตัวไม่มีตนนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันฝืนฝืนความปรารถนาของเรานะฝืนความปรารถนาของเราคือมันไม่อยู่ในอำนาจของเรา เราจะห้ามไม่ผมงอก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่แกก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ฟันโยกคลอนก็ห้ามไม่ได้นะบางครั้งแม้ว่าเราจะเอายามาย้อมผมมันก็ไม่อยู่เอาสมุนไพรมากินเพื่อชะลอความแก่มันก็ไม่อยู่มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีนั่นแหละนะเอาอะไรบรรดามฟันมันก็ไม่อยู่อันนี้มันเป็นหลักความจริงและเมื่อตายไปแล้วก็เอาไปเผาไปฝังมันก็ผุพังก็หมดกันไปนี่ไม่มีอะไรเหลืออยู่โดยกลางบ้านช่องก็ในทํานองเดียวกัน เราก็ลองดูสิว่าในประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหลวงก่อนๆ อ, อยู่ที่ไหนอย่างสุขโขทัยอยุธ ย, ยาอูทองลบเวยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าไอ้ที่เคยสูงตรงานงามสง่าเป็นตึกรามต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆหมดไปค่อยๆสลายไปเป็นพื้นดินธรรมดาขึ้นเป็นป่าเป็นงลงไอ้ที่เคยเป็นป่าเป็นลงก็คลายมาเป็นตึกรามบั่นท่องอสูงตระางงามสงา่าอ่านี่มันมันเป็นหลักในเรื่องอนิจจังด้วย แล้วก็เป็นหลักเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนนะอย่างนี้และประการข้อที่ 4, สี่สุภาษัญญาความสําคัญในของที่ไม่งามว่างามคือคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยมักจะเห็นอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสวยงามไปหมดนะสวยงามไปหมดแต่ จ, จริงๆแล้วมันไม่ได้สวยงามนะไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามสภาวะของมันไอ้ที่มันงามเพราะว่าเราเกิดกิเลส ต, ตัณหาขึ้นนะเกิดกิเลสตัณหาขึ้น นี่เปล่งไปว่า ง, งามเมือ่อเมื่อเราเห็นว่า ง, งามไอ้ความงามนี่มันเกิดขึ้นจากจากตัวอะไรตัวสุภะสัญญา อ, อตัวสุภะสัญญาคือเห็นว่าน่ารักก็เกิดฉันทราคะขึ้นเกิดความกำหนัดเกิดความพอใจเนี่ยเกิดความพอใจเมื่อเกิดความพอใจแน่นอนที่สุดเราก็แสวงหาอก็แสวงหาหาทุกสิ่งทุกอย่างมาบำรุงบำเรอเ อ, อหาวิธีการที่จะให้ได้สิ่งที่เราเห็นว่าสวยว่า ง, งาม นี่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อใครเข้าใจผิดอย่างนี้ผู้นั้นก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนคือมีความทุกแบบข์เบียดค้นจิตใจอยู่ตลอดเวลามีความเดือดร้อนทุรนทุรายเแบบียดค้นจิตใจอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีความสุขเลยฉะนั้นเราจะต้องหาเครื่องถอนวิปลาสการหาเครื่องถอนวิปลาสก็ตรงกันข้ามเครื่องถอนวิปลาส พูดง่ายๆว่าสัญญาเครื่องถอนวิปัาสนาทั้งสนีะ่ในข้อที่หนึ่งก็คือว่าอนิจจสัญญาเป็นเครื่องถอนอนิจจสัญญาคือพูดง่ายๆว่าสําคัญในของในของที่ไม่เที่ยงนะก็คือเรารู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเมื่อรู้อย่างนี้ก็สามารถจะถอนนิจจสัญญาความสําคัญว่าเป็นของเที่ยงได้นะ ทุกขะสัญญาเป็นเครื่องถอนสุขะสัญญานะสุขะสัญญาเป็นเครื่องถอนทุกขสัญญาขอประธานโทษทุกขะสัญญาเป็นเครื่องถอนสุขะสัญญาคือหมายความว่าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นทุกขเมื่อเราเห็นอย่างนี้นั่นแหละเราเห็นถูกนะเห็นถูกก็สามารถที่จะถอนในสุขะสัญญาที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุขให้หมดไปจากจิตใจได้ อนตัตตาสัญญาเป็นเครื่องถอนอัตตาสัญญาเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนในความที่เราเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนตก็จะหมดไปแล้วก็ที่สีอ่อสุภสัญญาความสําคัญว่าเป็นของไม่สวยไม่งามก็เป็นเครื่องถอนสุภาษสัญญาความสําคัญว่าเป็นของสวยงามให้หมดไปได้นะให้หมดไปได้อ่า น, นี่เป็นเรื่องของ อาวิปลาสความเห็นผิดนะเป็นเรื่องของวิปลาสความเห็นผิดฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจถูกต้องเห็นถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญนะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญฉะนั้นก็จะมาพูดถึงอุ ป, ปมาสี อ่าสี่ข้อนะอุปมาสี่ข้ออ่าเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะ ก, กิจใจแล้วก็เป็นเครื่องที่จะประดับสติปัญญานักเรียนนักศึกษาให้เข้าใจอ่าพอเป็นแนวทางอีกสักเล็กน้อยคือเกี่ยวกับเรื่องอ่าอุปมาสี่ข้อนะก็คือ ในลักษณะทั้งสามในลักษณะทั้งสามที่เรียกว่าไตรลักษณ์นั้นเน่ยจะเพราะอ น, นิจจารักษณะและทุกขลักษณะยังมีผู้พิจารณาเห็นบ้างแต่อนัตตลักษณะนั้นหาผู้พิจารณาเห็นได้ยากเพราะเป็นข้อลี้ลับลึกซึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนักปราชนอกพระพุทธศาสนาที่เป็นคนมีปัญญายังสามารถสั่งสอนมหาชนด้วยอ น, นิจจารักษณะ และทุกขลักษณะเท่านั้นอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างในในเรื่องของอรารกขสูตรนะในคำพีสัจจการิบาตมาให้ท่านทั้งหลายได้ได้รู้เลยทราบว่าในคำพีสัจจการิบาตอังคุตรนิกายว่าภูตะปุกพังพิคเเวอระโกนามะสัทธาอาโหสิ ติถักโรกาเมสุวีตาราโคเป็นต้นความว่าพิสูจน์ทั้งหลายเรื่องนี้ได้เคยมีมาแล้วมีศาสดาเจ้าลัทธิผู้หนึ่งชื่อว่าอรชื่อว่าอารักะเป็นคนตาัาสิจากความกำหนัดในกรรมคุณและสาวกของอรกะศ า, ส, าสดานั้นมีหลายร้อยนะอรกะศ า, ส, าสดานั้นก็ได้สั่งสอนแสดงทำแก่สาวก ข, ของตนว่าชีวิตของมนุษย์ ทั้งหลายน้อยนิดเดียวพลังจะ ด, ดับมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากควรรู้สึกด้วยปัญญานะควรบำเพ็ญบุญกุศลควรประพฤติพรหมจารย์เกิดแล้วไม่ตายไม่มีนะเกิดแล้วไม่ตายไม่มีเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเหมือนกับคำผู้สิธิ์บอกว่าอันนี้จังสังขารอันนี้จังสังขาร น, นั้นไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอ ตายหมดเกิดเท่าไรตายเท่านั้นนะว่าทน่านคนที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีนะนั้นก็จะแสดงถึงอุปมาชีวิตของคนเราไว้อ่าซึ่งอรากาศได้แสดงไว้ถึงเจ็ดประการอ่าเจ็ดประการมีอะไรก็คือหนึ่งชีวิตมนุษย์เหมือนกับหยาดน้าค้างนะเหมือนกับหยาดน้ำค้าง 2. ชีวิตมนุษย์เหมือนกับตอมน้ำสา 3. ชีวิตมนุษย์เหมือนกับรอยขีดในน้ำสี่ชีวิตมนุษย์เหมือนกับลังทานอันไหลมาแต่ภูเขาห้าชีวิตมนุษย์เหมือนกับก้อนเขละหกชีวิตมนุษย์เหมือนชิ้นเนื้อที่หน้าไฟเจ็ด ชีวิตมนุษย์เหมือนกับโคที่เขาจะนำไปสู่ที่ฆ่าก็จะขออธิบายย่อๆว่าชีวิตมนุษย์เหมือนกับหยาดน้ำค้างคือธรรมดาหยาดน้ำค้างที่ปลายที่ค้างติดอยู่บนปลายใบไม้ใบหญ้าเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ก็เกิดความร้อนก็พลันที่จะหายไป ไม่ตั้งอยู่นานชั้นใดชีวิตของมนุษย์ก็ฉันนั้นมีเกิดแล้วก็มีชรามีชราแล้วก็มีพยาธิมีพยาธิก็มีมรณะมีมรณะก็แน่นอนที่สุดหมดกันไปสิ่งเหล่านี้แหละคอยรุมเผาเราไม่ให้เป็นไปนานพลันก็จะดับสูญไปไม่ทันเลยเกิดแล้วก็แก่ก็เท่าก็เจ็บตายยังไม่ทันถึงร้อยปีนะ ยังไม่ทันถึงร้อยปีสองชีวิตมนุษย์ที่ว่าเหมือนกับต่ำน้ำธรรมดาต่ำน้ำที่ตั้งขึ้นเพราะฝนเม็ดโตกระทบพื้นโดยกำลังแรงย่อมพันจะแตกแตกดับไปตั้งอยู่ไม่นานชั้นใดชีวิตก็ฉันนั้นเกิดขึ้นเพราะความประชุมแห่งเหตุแห่งธาตุเมื่อหมดเหตุหมดธาตุก็จากกันไป ก็พลันที่จะดับไปสาชีวิตมนุษย์เหมือนเหมือนรอยขีดในน้าธรรมดาน้านั้นเป็นของไม่แยกออกจากกันเมื่อบุคคลเอาไม้ขีดให้แยกจากกันพอไม่มีไม้ขั้นน้ำก็จะกลับเลื่อนไหลเข้าหากันอีกรอยปรากฏช่วเวลาไม้กำลังขีดลงชั้นใดชีวิตก็ชั้นนั้น ยังเป็นไปได้เพราะปัจจัยอุดหนุนหมดเหตุหมดปัจจัยก็หมดกันไปก็ซีชีวิตมนุษย์เหมือลำธารอันไหลจากภูเขาธรรมดากระแสน้ำในลำธารไหลไปไกลกำลังเชี่ยวนำเอาสิ่งที่อาจนำไปได้ไม่หยุดสักลักขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งมีแต่จะไหลไปอย่างเดียวฉันใด วันและคืนล่วงไปก็นำเอาชีวิตของเราตามไปด้วยไม่มีพักสักครู่สักขณะมีแต่จะลุกไปลุกหน้าไปส่วนเดียวเท่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันข้อห้าชีวิตมนุษย์เหมือนก้อนเขละธรรมดาบรุษมีกำลังแข็งแรงสามารถที่จะถมก้อนเขละหรือก้อนน้ำลายที่ปลายลิ้นออกไปโดยไม่ยากฉันใด ชีวิตก็เป็นของที่จะดับง่ายฉันนั้นเรียกว่าชั่วปลายลิ้นลงมาถึงพื้นดินแค่นั้นเองรวดเร็วไวมากนะไวมากข้อหกชีวิตมนุษย์เหมือนชิ้นเนื้อที่นาไฟธรรมดาชิ้นเนื้อที่บุคคลเอาใส่ลงในกระทะเหล็กอันร้อนตลอดวันยังค่ำย่อมจะพลันไหมไม่ตั้งอยู่นาน หรืออาจจะ ง, งอไปงอมานะชั้นใดชีวิตนี้ก็ต้องถูกเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขเผาผลาญมีราคคคิไฟคือราคะโทสัคิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือโมหะเผาผลาญให้เยี้ยมเกลื่มให้หมกไหมไม่ทันอยู่นานชั้นนั่นเหมือนกันข้อเจ็ดชีวิตมนุษย์เหมือนโคที่เขาจะฆ่าต้องนําไปสู่ที่ฆ่า ยกเท้าเดินความตายก็ใกล้เข้ามาชีวิตนี้วันคืนล่วงไปเท่าใดก็ใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้นนะใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้นฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าชีวิตของคนเราเราเห็นได้ชัดตามที่ไดายกมาเจ็ดข้อนะที่อรหกา ศ, าศาสดาได้สอนบร ร, รดาสาวกว่าในอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตไว้ ก็เป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเข้าใจนะและขอให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายได้จดจำนำเอาไปประพฤติปฏิบัติ น, ะนาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นผู้มีปัญญานะเห็นอย่างนี้ก็จะทำให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก็จะไม่หลงไหลในชีวิตก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิปลากคาถา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 วันนี้ก็จะพูดในหัวข้อวิปลาสต่อจากค่าวที่แล้วอซึ่งค่าวที่แล้วก็ได้พูดเรื่องวิปลาสจบไปจบไปแล้วก็มาพูดถึงอุปมาชีวิตในอากาศสูดเจ็ดประการทีนี้ก็จะพูดถึงวิปลาสเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งว่าคําว่าวิปลาสหมายถึงว่าความเข้าใจผิด วิปราสนความเข้าใจผิดถ้ากล่าวด้วยอำนาจจิตและเจตสิกซึ่งวิปริ์ผิดไปมีสามประการคือหนึ่งวิปราสนด้วยอำนาจสำคัญผิดเรียกว่าสัญญาวิปรสสาสองวิปรสสาด้วยอำนาจคิดผิดเรียกว่าจิตวิปรสสาสามวิปรสสนด้วยอำนาจเห็นผิด เรียกว่าทิฏฐิวิปลาสกล่าวด้วยวัตถุที่ตั้งมีสี่ประการคือวิปลาสในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหนึ่งวิปลาสในของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหนึ่งวิปลาสในของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตนหนึ่งว่ามีตัวตนหนึ่งวิปลาสในของที่ไม่งามว่าเป็นของงามหนึ่งนี่เป็นเรื่องของวิปลาสก็ได้พูดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย และก็ได้พูดถึงเรื่องอุปมาของชีวิตทั้งเจ็ดข้อทีนี้อุปมาสี่ข้อในข้อแรกที่บอกว่าหนึ่งสังขารทั้งหลายมีลักษณะเสมอกันเป็นสามคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อพูดอย่างนี้ก็ได้ยกอุปมาชีวิตทั้งเจ็ดข้อขึ้นมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ เป็นเครื่องเปรียบเทียบมาในข้อที่สองนะในข้อที่สองผู้มีปัญญาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นอนัตตลักษณะชัดแล้วแต่นั้นก็สามารถชำแรกอวิชชาคือความเขลาได้คือหมายความว่าความไม่รู้แจ้งเนี่ยนะนะ ความขาาคือความไม่รู้แจ้งอันปิดบังสภาวะธรรมไว้ให้สำคัญเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกเสียได้ให้เห็นเป็นแต่สภาวะธรรมซึ่งพึงกําหนดเห็นเป็นขันนะหมายถึงว่าเป็นขันห้านะเป็นขันห้าเป็นอาเจนะเป็นธาตุเป็นอินทรีย์นะเป็นอินทรีย์ เรีกว่าสภาวธรรมเหล่านี้ต่างก็อาศัยเป็นไปถ้าพรากจากกันแล้วก็ต่างก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายแต่สภาวธรรมที่ประชุมกันเข้าและพรากออกจากกันเท่านั้นสภาวธรรมที่ไม่ปรากฏก็เพราะอาวิชชาได้ชื่อว่าเป็นเหมือนของที่มีสิ่งกำบังพระพุทธเจ้าจำแนกธรรมประเภทธรรมประเภทนี้ให้สัตว์โลกเข้าใจชัด ได้ชื่อว่าเหมือนผู้เปิดเผยของที่มีสิ่งปิดบังไว้ข้อสามสัตว์โลก ผ, ผู้ไม่ได้มีปัญญาเห็นวิเศษในอนัตตลักษณะโดยความเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเช่นนั้นย่อมมีความสำคัญผิดคิดเห็นเป็นตัวตนสัตบุคคลไปนะสัตบุคคลไปจะถือว่า จะถือเราถือเขาด้วยอำนาจตัญหามนาตทิฏฐิอันแรงกล้าพยายามหาประโยชน์ส่วนตัวตัดรอนประโยชน์ของผู้อื่นด้วยทิฐิอย่างแรงกล้าด้วยความโลภเป็นเจตนาแต่นั้นก็เกิดความอาฆาตเกิดความทะเลาะวิวาทปะทุสร้ายกันโดยประการต่างๆในทางที่ผิดเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นมิจฉาปฏิบัติ จะทำอะไรก็ล้วนแต่วิปริตไปด้วยโมหะจำพวกนี้ในชื่อว่าเป็นผู้หลงนะเป็นผู้หลงฉะนั้นประเภทที่สี่สัตว์โลกผู้ตกอยู่ในที่มืดคือความหลงดังกล่าวแล้วไม่มีดวงตาคือปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจมีความเห็นวิปริตจากภูมิธรรมสำคัญเห็นเป็นสุขนะสาคัญเห็นเป็นสุขคือหมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเราไปเห็นว่ามันเป็นสุขซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ไงเป็นทุกข์พระพุทธเจ้ า, ต ร, ารรตรัสรู้ในยศด้วยลำพังพระปัญญาของพระองค์แล้วทรงแสดงแก่เวนยสัตว์ให้ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในยศสี่นั้นบ้างจึงได้ชื่อว่าทรงส่องดวงไฟในที่มืดให้คนมีจักสุได้เห็นแสงสว่างได้นะเห็นแสงสว่างได้ะฉะนั้น ที่บอกว่าวิปลาดแปลว่ากริยาถือโดยอาการวิปริตผิดจากความเป็นจริง เ, เรียกชื่อต่างๆกันนะด้วยอำนาจจิตเจตสิกซึ่งวิป ร, ริตไปวิปลาดด้วยอํานาจความสําคัญผิดเรียกว่าสัญญาวิปลาดวิปลาดด้วยอํานาจคิดผิดเรียกว่าจิตวิปลาดวิปลาดด้วยอํานาจเห็นผิดเรียกว่าทิฏฐิวิปลาดนะเรียกว่าทิฏฐิวิปลาดทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง ติดลักษณานะก็หมายถึงว่าคือลักษณะาสามอย่างนะลักษณะสามอย่างลักษณะสามอย่างคืออะไรก็คืออนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกตาความเป็นทุกอนัตตาความไม่เป็นความเป็นของไม่ใช่ตัวตนนะความเป็นของไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งส่วนที่มีวิญ ญ, ญาณครองประกอบด้วยความรู้สึกซึ่งเรียกว่าอุปาทินากะสังขาร อ๋อทั้งส่วนที่หาวิญญาณครองมิได้ไม่ประกอบด้วยความรู้สึกเรียกว่าอนุปาทินากาสังขารได้ชื่อว่าของไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นรวนแปรในท่ามกลางแล้วก็มีความแตกสลายในที่สุดความจริงสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อยังตั้งอยู่ก็มีความแปรปลีนไปโดยลำดับ ก, การพึงเห็นในอุปาทินากาสังขารที่นับปนุษย์จำเดิมจะเกิดแล้วแปรไปเสมอเป็นเด็กเป็นผู้เด็กเป็นหนุม่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่นะ ซึงจัดในร้ำฉานก็เหมือนกันเป็นอุปาทิณากาสังขานก็เหมือนกันดอกไม้แร่ก่ออ่อนก่อตูมก่อแย้มก่อบานและก็ร่วงโรยไปผลไม้ก็เช่นเดียวกันนะก็เช่นเดียวกันคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็ควนแปในท่ามกลางแตกสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรทีรังยั่งยืนทีนี้การพิจารณาให้เห็นลักษณะทั้งสามให้เห็นลักษณะสองในนะให้เห็น ให้เห็นลักษณะทั้งสามด้วยสองในคือหนึ่งพิจารณาโดยในที่หยาบนะโดยในที่หยาบสองพิจารณาโดยในที่ละเอียดนะพิจารณาโดยในที่ละเอียดทีนี้ถ้าเราจะพูดกันว่าการที่เราจะพิจารณาโดยในที่หยาบ ก, ก็สามประการนะพิจารณาโดยในที่หยาบสามประการหนึ่ง ชราทมโมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่ว ง, งพ้นจากความแก่ไปได้นี่ไม่ล่วงพ้นไปได้สองพยาธิทมโ ม, มหิพยาิทิงอนาติโตเรามีความเจ็บปวดป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความเจ็บปวดป่วยไข้ไปได้สามระทมโมหิมรณงอนติโตเรามีความ Douglas, <coś S 1> ตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความตายไปได้ อันนี้เป็นเป็นถ้อยคำที่พรรณนาถึงลักษณะทั้งสามประการคืออนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนให้มูสัตว์พิจนาทั้งสามประการนี้โดยหยาบบ้างละเอียดบ้างในที่หยาบเหมือนกับทรงสั่งสอนอภินหาปัจจเวกคือให้สตรีบุรุษคารหัสบันประชิดมันคำนึงอยู่หนึ่งเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความมี ความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บปวดป่วยไขย้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะล่วงพนไปได้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ได้รู้เท่าทันต่อสภาวะธรรมแน่นอนที่สุดอานิสงส์แห่งการพิจารณาโดยในที่หยาบทั้งสามประการก็จะบังเกิดขึ้นคือการที่เราพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นจากความแก่ไปได้การพิจารณาอย่างนี้ก็ยะยังรู้ว่าสังขารเป็นทุกข์การที่พิจารณาอย่างนี้ก็รู้ว่าสังขารเป็นของไม่เทีย่ยงจะแปรปรวนชำรุดสุดซมจากปกติเดิมไปเป็นชราเป็นชราหรือว่าเป็นเหตุให้บรรเทาความเมาในวัยคนเราโดยมากก็มัวเมาในวัยเป็นคนมัวเมาในวัย เรียกว่าตนเองนั้นยังไม่แก่ยังไม่เท่านะก็จะทําให้ประมาทมัวเมาแต่เมื่อพิจารณาอยู่นั้นบ่อยๆก็เทําให้บรรเทาความเมาในวัยได้ในข้อที่สองที่เราพิจารณาว่าเรามีความเจ็บปวดปวด่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพน้นจากความเจ็บปวดปวด่วยไข้ไปได้จะทําให้เรายังรู้สังขาร เ, าเป็นทุกข์เพราะความวิปริตวิปริตจากโรคาพาสมาเบียดเบียนเป็นเหตุให้บรรเทาความเมาในความไม่มีโรคนะ มันเท่าความเมาในความไม่มีโรคคนเราบางคนก็สำคัญว่าตัวเองมีกำลังวังชาดีอ้วนท้วนกินอาหารดีคงจะไม่มีโรคแต่ถึงคราวโรคมันจะเกิดขึ้นมันไม่เคยประกาศบอกเราว่าจะเกิดเมื่อนั้นเมื่อนี้ด้วยโรคอันนั้นอันนี้คนยิ่งอ้วนก็ยิ่งมีโรคมากยิ่งตายง่ายนะยิ่งตายง่ายอันนี้เราจะเห็นตากฏอยู่โดยทั่วๆไปนะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้มาในข้อที่สามที่เราพิจารณาว่า เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นไปได้การพิจารณาอย่างนี้ก็จะสันนิษฐานได้ว่าสังขารเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่เป็นไปตายตาอำนาจของผู้ใดไม่มีใครห้ามกันไว้ตามปรารถนาได้เป็นเหตุให้บรรเทาความเมาในชีวิตนะความเมาในชีวิตก็จะทําให้เรานั้นรู้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงก็จะได้รีบขวนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะ แล้วก็พยายามสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นด้วยการแสวงหาโมฆธรรมตามฐานะของตนทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาโดยกันอย่างละเอียดเนี่ยเมื่อกี้เราพิจารณาโดยอย่างหยาบถ้าพิจารณาโดยในละเอียดก็คือให้พิจารณาโดยร่างกายโดยลักษณะของขันห้าเช่ น, ร, ปปนรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาก็ไม่เที่ยงน สังขารานิจาสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณก็ไม่เที่ยงอ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอ่ารูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญาณัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตรูปเวทนาสังขาสัญญาสังขารวิญญาณมิใช่ตัวตนนี่ให้ใ น, นนี้เราพิจารณาโดยละเอียดโดยแยกออกเป็นกองเป็นขันอ่าเป็นขันขันอ่าทีละอย่างละอย่าง ก็จะทําให้เราเข้าใจตามสภาวธรรมที่ลึกซึ้งนะที่ลึกซึ้งได้เหตุที่ไม่จัดทุกขลักษณะนะทีนี้เหตุที่ไม่จัดทุกขลักษณะก็คือว่าทุกขลักษณะย่อมสําเร็จด้วยอ น, นิจจลักษณะเพราะลักษณะทั้งสามนี้เป็นธรรมธาตุนะเป็นธรรมธาตุอนะ่าเป็นธรรมนิยามเป็นธรรมทิฏฐิ เธอความตั้งอยู่แห่งธรรมที่คงอยู่มิได้ยักย้ายประการหนึ่งอ่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่มีตัวไม่มีตนสิ่งใดไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ไม่สมควรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นนะด้วยตัณหามานะทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอนิสงส์การพิจารณาติลัคณะโดยในละเอียด นะย่อมมีประโยชน์ย่อมมีอนิสงส์เป็นอนเนกประการผู้ที่พิจารณาว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วย่อมหน่ายในทุกข์ขันคือกันห้าเมื่อหน่ายก็ย่อมสิ้นกำหนัดนะ่ะไม่ไม่มีความกำหนัดพอใจในตัวตนในเราในเขาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัส ก็จะทําให้บรรลุอริยมรรคเพราะสิ้นกําหนัดย่อมหลุดพน้นคือบรรลุอริยผลนะฉะนั้นผู้เจริญในเรื่องลักษณะทั้งสามนี้อยู่บ่อยๆแม้จะไม่บรรลุอริยผลก็เป็นมรรคาให้ผู้นั้นมีสติสมัสมปชัญญะไม่ฟันเฟือนทําลายขันมีสุขติพบมนุษย์กําหนดสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าที่นี้ก็มาพูดถึงว่าฐานะหกอย่าง มาพูดถึงฐานะหกอย่างเอ้ามาพูดถึงฐานะหกอย่างก็มีสิ่งที่น่ารู้น่าคิดอีกมากนะคืออย่างไรคือบุคคลที่จะเจริญติลักณนานุปัสนาก็พึงรู้ฐานะหกอย่างถ้าหากว่ า, ร, ารู้ฐานะหกอย่างก็จะทําให้การเจริญอา่าเรื่องไตรลักษณ์พูดง่ายๆว่าเรื่องธาตไตรลักษณ์ได้รู้ได้เข้าใจ แจ่มแจ้งดียิ่งขึ้นก็คือว่าให้เราพิจารณาคืนหนึ่งอ น, นิจจังของไม่เที่ยงหมายเอาขันห้านะเป็นเป็นตัวอ น, นิจจังเพราะบังเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปนี่ราการที่สองราการที่สองก็คือว่าอ น, นิจจ ล, ลักษณะลักษณะเครื่องที่จะรู้ ที่จะให้รู้ว่าไม่เที่ยงหมายเอาความบังเกิดและความเสื่อมสิ้นไปและความแปรปรวนไปอย่างอื่นเป็นอนิจจลักษณะข้อสามทุกขังทุกของสัตว์ที่ทนได้ยากหมายเอาขันทั้งห้าเป็นทุกเพราะความบังเกิดและความเสื่อมสิ้นไปเบียดเบียนบีนบขัน้น เ, เกิดความคับแค้นเกิดความคับแคนข้อที่ี่ทุกขลขักขันัง ลักษณะเครื่องหมายที่จะให้รู้ว่าเป็นทุกข์หมายเอาความบังเกิดและความชิบหายเบียด ged, เบียนเรื่องเรือ ง, เ, องเป็นทุกขลักษณะข้อห้าอนัตตาความมิใช่ตัวตนหมายเอาขันห้าทั้งห้าเป็นอนัตตาเพราะมิได้เป็นไปในอำนาจฝืนความปรารถนาอยู่ตลอดเวลาข้อที่หกอนัตตลักษณ์คณังลักษณะเครื่องหมายที่จะให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนหมายเอาความที่ไม่เป็นไปในอำนาจนั้นในอำนาจนั้น ที่มันฝืนความปรารถนานั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของของการที่เราได้พิจารณาฐานะทั้งหกนะฐานะนักทั้งหกที่นี้เมื่อเราได้พิจารณาอย่างนี้นะแน่นอนที่สุดก็จะทำให้เรานั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอการเจริญพระไตรลักษ ได้อย่างดีท่องแท้และจะทําให้เราไม่มัวเมาในทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้เรามีสติปัญญารู้เท่าทันต่อสังขารตามความเป็นจริงและถูกต้องฉะนั้นก็จะมาตั้งเป็นคําถามนะเพื่อจะให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเช่นจะถามบอกว่า ก็จะถามมาตั้งแต่อวิปัสสาดมาเลยนะจะถามมาตั้งแต่วิปัสสาดเช่นจะถามบอกว่าวิปัสสาดคืออะไรนะว่าวิปัสสาดคืออะไรอันนี้และจะถอนวิปัสสาดได้ด้วยทําอะไรอันนี้เราก็ตอบบอกว่าวิปัสสาดคือกิริยาที่ถือเอาโดยอาการวิปลาสจากความเป็นจริงหรือว่าผิดไปจากความเป็นจริงนะ ผิดไปจากความเป็นจริงอวิปลาสในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจะถอนได้ด้วยอนิจจสัญญาวิปลาสในของที่เป็นทุกว่าเป็นสุขจะถอนได้ด้วยทุกขะสัญญาวิปลาสในของที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตนก็จะถอนได้ด้วยอนัตตสัญญาวิปลาสในของที่ไม่งามว่างามก็จะถอนได้ด้วยอสุภสัญญา ถอนได้ด้วยอสุภสัญญาทีนี้ถ้จะถามว่าในพระสูตรทรงสแสดง อ, อุปมาชีวิตมนุษย์ทั้งหลายไว้อย่างไรอย่างไรจงสแสดงมาทั้งหมดเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เร่งรีบทำความดีให้ทันกับเวลาที่ยังมีอยู่อันนี้เราก็ตอบว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีอุปมาดังนี้หนึ่งเหมือนหยาดน้าค้าง สเหมือนตอมน้ำสามเหมือนรอยขีดเหมือนรอยไม้ขีดลงในน้ำสี่เหมือนลําธารอันไหลจากภูเขาห้าเหมือนก้อนเคล่าหกเหมือนชิ้นเนื้อหน้าไฟเจ็ดเหมือนโคที่เขาจะฆ้าเหมือนโคที่เขาจะฆ้าหรือถ้าจะมีปัญหาถามบอกว่า ไตรลักษณ์ที่ว่าเห็นได้ยากเพราะเหตุไรจะเห็นได้ด้วยอุบายอย่างไรเห็นแล้วมีคุณแก่ผู้เห็นอย่างไรอันนี้เราก็แก้ได้ว่าไตรลักษณ์ที่ว่าเห็นได้ยากนั้นเพราะมีเครื่องปกปิดไว้ไม่เห็นคือสันตติความสืบต่อแห่งนามารูปปกปิดอนิจจตาอิริยบทความผันเปลี่ยนแห่งกิริยาปกปิดทุกตาคณะสัญญาความสาคัญเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนปกปิดอ น, นัตตา คือคือวิปัสนาภาวนานะคือหมายความว่าเราจะเห็นได้ด้วยวิปัสนาภาวนาคือพิจารณารูปนามอย่างเห็นความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเพิกถอนสัน ต, ติเสียได้อันนี้จะลักษณะก็ปรากฏชัดอย่างเห็นความถูกความถูกบีบขั้นทนอยู่ไม่ได้ด้วยเพิกเฉยด้วยเพิกอริยบทออกเสียทุกลักษณะย่อมปรากฏชัดพิจารณาเห็นความเป็นาธาตุกระจัดกระจายความเป็นก้อนออกไป อนัตตลกษณะย่อมปรากฏชัด่เยเมื่อเห็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญาแล้วจิตของผู้เห็นย่อมปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์เป็นต้นจิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตสงบร่มเย็นดับทุกข์ได้มีคุณแก่ผู้เห็นเป็นอนเนกประ ก, การนหรือถ้าจะถามว่า วิปปลาดกล่าวด้วยอำนาจจิตและเจตสิกซึ่งวิปริตผิดไปมีกี่ประการกล่าวด้วยอำนาจวัตถุที่ตั้งมีกี่ประการอะไรบ้างอันนี้เราก็ตอบว่าวิปปลาดกล่าวด้วยอำนาจจิตเจตสิกซึ่งวิปริตผิดไปมีสามประการคือวิปปลาดด้วยอำนาจสำคัญผิดเรียกว่าสัญญาวิปปลาดวิปปลาดด้วยอำนาจคิดผิดเรียกว่าจิตวิปปลาดวิปปลาดด้วยอำนาจเห็นผิดเรียกว่าทิฏฐิวิปปลาด กล่าวด้วยอำนาจวัตถุเป็นที่ตั้งมีสี่ประการคือหนึ่งวิปลาสในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงวิปลาสในของที่เป็นทุกว่าเป็นสุขวิปลาสในของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนวิปลาสในของที่ไม่งามว่างามนะในของที่ไม่งามว่างามหรือถ้าจะมีคำถามอีกว่า ในในบาลีอาระกะสูตรตรัสว่าอาระกะศาสดาอุปมาชีวิตมนุษย์ไว้หลายอย่างอะไรบ้างจงแสดงมาทั้งหมดเป็นเครื่องกำหนดเตือนใจนะให้เรารีบเร่งทำความดีทันกับเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็เหมือนกับในแรกที่ได้ตอบไปบอกว่าชีวิตมนุษย์ทั้งหลายนั้นที่อุปมาไว้ก็คือหนึ่งเหมือนหยาดน้ำค้างสองเหมือนตอมน้ำสาเหมือนรอยขีด ลงในน้าสี in ่เหมือนลําธารไหลลงมาจากภูเขาห้าเหมือนกับก้อนเขละหกเหมือนชิ้นเนื้อที่น้าไฟเจ็ดเหมือนโคที่เขานําไปฆ่านะที่เขานําไปฆ่าทีนี้ถ้าจะถามว่าพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความแก่ไปได้เรามีความเจ็บปวดป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความเจ็บปวดป่วยไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความตายไปได้ จะชี้ว่าพิจารณาใจรักคืออ น, นิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะได้หรือไม่จงชี้แจงอันนี้เราก็แก้ว่าได้นะเราแก้ว่าได้คือเมื่อพิจารณาว่าตนมีความแก่เป็นธรรมดาเนืองๆก็ยังรู้สังขารร่างกายนี้ไม่เที่ยงเมื่อพิจารณาว่าตนมี ความเจ็บปวดป่วยไข้เป็นธรรมดาหนึ่งๆก็ยังรู้ว่าสังขารเป็นทุกข์เมื่อพิจารณาว่าตนมีความตายเป็นธรรมดาหนึ่งๆก็ยังรู้ว่าสังขารคือร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนะอย่างนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะถูกต้อง หรือถ้าจะถามว่าผู้ผู้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจบแล้วมักจะทูลสรรเสริญพระองค์โดยอุปมาว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเป็นต้นเหมือนหงายของที่คว่ำอยากทราบว่าอุปมานั้นมีกี่ข้ออธิบายโดยย่อว่าอย่างไร อุปมาณนั้นมีสี่ข้อมีอธิบายโดยย่อดังนี้นะเราแก้อุปมาณนั้นมีสี่ข้อโดยย่อดังนี้หนึ่งสังขารทั้งหลายย่อมมีลักษณะเสมอกันเป็นสามคืออริยนนลักษณะทุกคลักษณะและอนัตตลักษณะสองข้อข้างต้นยังมีผู้รู้พิจารณาเห็นส่วนอนัตตลักษณะเป็นของลี้ลับ ไม่มีใครคิดเห็นเปรียบเหมือนของที่คว่าอยู่พระพุทธเจ้าทรงยกอนัตตลักษณะขึ้นสั่งสอนได้ชื่อว่าเหมือนายของที่คว่มอยู่นั้นขึ้นนี่ข้อสองผู้มีปัญญาฟังคาสั่งสอนแล้วเห็นอนัตตลักษณะชัดเจนก็สามารถทำแรกอวิชชาได้พูดง่ายๆว่าทำลายอาวิชชาได้สภาวะธรรมที่ไม่ปรากฏ เพราะอาวิชชาให้สัตว์โลกเข้าใจชัดได้ชื่อว่าเหมือนผู้เปิดเผยของที่มีสิ่งอื่นกำบังไว้กำบังไว้เราก็จะทำให้เรารู้ชัดเห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงข้อสามสัตว์โลกยังไม่ได้ปัญญาเห็นพิจารณาในอนัตตลักษณะชื่อว่าเป็นผู้หลง พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกให้ดำเนินไปในทางที่ถูกได้ชื่อว่าชี้บอกทางให้แก่คนหลงทางนะชี้บอกทางให้แก่คนหลงทางเมื่อเมื่อขึ้นทางถูกแล้วก็สบายนะไม่หลงทางแล้วแต่ทุกวันนี้เราหลงทางกันมัืมเหมือนกับคําพูดของไเด็กหนุ่มเด็กสาวบอกว่าบางคนมักจะพูดบอกว่าหลงทางพอหาเจอแต่หลงเธอนั่นก็หาแทบตายฮ่าว่าเข้าไปนั่น ข้อที่ีสัตว์โลกผู้อยู่ในที่มืดไม่มีดวงตาปัญญาเห็นอริยสัตว์มีความเห็นวิปริตจากภูมิธรรมสำคัญทุกว่าเป็นสุขพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ได้ปัญญาเห็นธรรมนั้นได้ชื่อว่าส่งดวงไฟในที่มืดให้คนมีจักษุได้เห็นแสงสว่างแล้วก็ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนะ และที่นี้ก็ถ้าจะมีปัญหาถามอีกว่ามีพระสูตรอะไรหรือไม่ที่แสดงว่านักปรานอกพระพุทธศาสนามีปัญญาให้ อ, อว่าดแก่ประชอยประชุมชนเพียงด้วยการยกอนิจจลักษณะขึ้นพิจารณาหาได้ยกอนัตตลักษณะขึ้นทรงสั่งสอนไหมถ้ามีขอให้บอกชื่อพระสูตรนั้นพร้อมทั้งคำพีมาและใจความแห่งพระสูตรนั้น ว่าอย่างไรถ้าไม่มีก็แล้วไปอันนี้เราก็ตอบว่ามีคืออรารกะสูตรในคำภีสัตตกรนิบาศอ่าสัตตกังขัตตการนิบาศอังคุตรนิกายว่าดูกนพิสูจน์ทั้งหลายเรื่องนี้ได้เคยมีมาแล้วมีศาสดาเจ้าลัทธิผู้หนึ่งชื่อว่าอารกะเป็นคนปราสัจจกความกำหนัดในกามคุณและทรงสั่งสอนสาวกอ่ของท่านเป็นจำนวนมากแล้วก็ อรารักษศาสดานั้นแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดเดียวพลันจะดับมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากาความรู้สึกด้วยปัญญาควรบำเพ็ญกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เกิดแล้วจะไม่มีดังนี้จะไม่มีตายไม่มีนะหรือถ้าจะมีคำถามว่า สัญญาวิปลาสนะสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฐิวิปลาสต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรอันนี้เราและแต่และอย่างมีกี่ข้อจะแก้ด้วยอะไรอันนี้เราก็ตอบว่าต่างกันนะแก้ว่าต่างกันแต่พยัญชนะเหมือนกันโดยอัดนะเหมือนกันโดยอัดอ่าคือ วิปลาดด้วยอำนาจความคิดผิดเรียกว่าจิตวิปลาดวิปลาดด้วยอำนาจความเห็นผิดเรียกว่าคิดถิวิปลาเอ่ดถึงจะมีพยัญชนะต่างกันก็มีอัดอย่างเดียวกันคือวิปลาดสี่คือวิปลาดในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงวิปลาดในของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขวิปลาดในของที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนวิปลาดในของที่ไม่งามว่างามอันนี้เราก็แก้ด้วยอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาและอตุภสัญญาไปโดยลําดับนะ โดยลําดับเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นมีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอวิปัสสนาก็ดีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเครื่องถอนวิปสัสสนาสีก็ดีอุปมาสี่ก็ ด, อกดีอุปมาชีวิตในอากาศสูตรเจ็ดประการก็ดีและ